สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัยทกรคนชอบเล่าอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังกันบ้างนะครับเรื่องราวเรื่องนี้จะเกี่ยวกับคำสอนของพระธุดงเถื่อนหรือหลวงพ่อธรรมงามพระธุดงโสพลธรรมสพุพรรณกุติแพรอาสมพระธรรมงามริมฝั่งโขงโดยเรื่องราวที่จะถ่ายทอดนี้เป็นเรื่องราวที่คุณบัวเพชรประกายสิทธ ห, หน้าหน่วยพิทักษ์ป่าชแนนเขตศักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกเขาว่าเบี้ยวชัยยพรอยู่ที่ 84/3 หมู่ที่11บ้านใหม่ชัยพรตำบลชัยพรอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายได้ถ่ายทอดให้ฟังเกี่ยวกับคําสอนของพระธุดดวงรูปนี้เนื้อหาจะเป็นยังไงแล้วลองติดตามไปฟังดูกันนะครับข้าพเจ้า นายบัวเพชรประกายสิทธิ์เป็นคนจังหวัดหนองคายมีครอบครัวมีบุตรสองคนแล้วมีครั้งหนึ่งระหว่างกำลังขับรถออกตรวจเขตป่าอยู่ก็หวน่ลึกถึงพระธุดงรูปหนึ่งได้คือผู้ที่ไม่หวนกลับในฉายานามหลวงพ่อทำงามข้าพเจ้าเกิดมาเป็นชาวพุทธก็จริงแต่ก็นับถือศาสนาพุทธด้วยวาจาพูดถึงและแสดงกราบไหว้เพียงเท่านั้นที่ว่านับถือด้วยวาจาพูดถึงนั้นก็คือ เมื่อมีใครถามว่านับถือศาสนาอะไรก็ตอบเข้าไปว่าศาสนาพุทธถ้ามีการกรอกแบบฟอร์มที่มีช่องศาสนาก็จะกรอกลงไปว่าศาสนาพุทธแต่ก็แค่นั้นที่ว่านับถือด้วยแสดงความกราบไหว้ก็คือถ้ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นงานวัดงานทอดกรถินงานทอดพระป่าเวียนเทียนก่อเจดีทรายเข้าพรรษาออกพรรษาก็นําตัวเองไปร่วมงานกับเขาทุกทีแต่จิตใจไม่ทราบซึ้งในรถถูปธรรม ยังไม่ปรงุงไม่เชื่อสนิทยังเต็มไปด้วยความลังเลและสงสัยอยู่บ้านที่ข้าพเจ้าอยู่จนปัจจุบันนี้ตรงข้ามวัดศีสว่างอารมณ์แต่ก็มีโบสถ์ของคริสต์ศาสนามีชื่อว่าว no ัดนอร์เยอร์เซฟแถวนั้นไม่มีสุเหร่าของชาวมุสลิมอยู่เลยส่วนศาสนาสถานของศาสนาฮินดูนั้นก็ไม่มีแขกอินเดียมาตั้งแต่ก็มีแขกมาส่งนม เจ้าคนปัญญาคนนึงรู้ศาสนาฮินดูดีและคุ้นเคยกับข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าว่างๆข้าพเจ้าก็ชอบไปสนทนากับพระที่วัดตรงข้ามบ้านบ้างไปคุยกับบาทหลวงซิสเตอร์ที่โบสถ์นอโยอเซฟบ้างบางครั้งก็ไปสนทนากับฮัตจีพวกที่นับถือศาสนาอิสลามและบางโอกาสได้พูดคุยกับแขกทรงนมบ้างก็ทําให้ได้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆมากพอสมควรการรู้หลายๆศาสนา มิได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดความกระจ่าทางจิตใจเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามดับทําให้เกิดความสงสัยลังเลมากยิ่งขึ้นถ้าจะเปรียบข้าพเจ้าในขณะนั้นก็เหมือนคนเดินทางมาถึงสี่แพร่งกําลังยืนงงอยู่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเดินไปทางไหนดีที่ปากทางแต่ละสายมีคนคนหนึงยืนอยู่และออกปากเชิญชวนให้ข้าพเจ้าเดินไปตามทางของเขาโดยให้คํามั่นสัญญาต่างๆเช่นถ้าเลือกทางเดินของเขาชีวิตก็จะเป็นอมตะ และได้รับความสุขชั่วนิรันด์เป็นต้นแต่คํามั่นสัญญาของเขาเหล่านั้นไม่เป็นที่ดึงดูดจิตใจของข้าพเจ้านักเพราะว่าวิถีชีวิตของข้าพเจ้าในตอนนั้นค่อนข้างแย่ทําให้เห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องที่น่าอภิรม์นักเพียง7 0็ดถึงแปปีในโลกนี้ก็แทบจะทนไม่ไหวถ้ามีชีวิตอมาตะชั่วนิรันด์ไม่รู้จักตายเห็นจะไม่ไหวแน่และแล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเดินทางไปสายหนึ่งซึ่งจะนําไปสู่พระนิพพาน ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ข้าพเจ้ายืนอยู่แต่เดินทางไปเท่าไหร่ก็ต้องหยุดอยู่เพราะว่าทางสายเนี้ยังมีทางแยกย่อยออกเป็น10บสเส้นข้าพเจ้าจึงยังรู้สึกยืนลังเลอยู่ไม่ทราบว่าจะเดินไปทางไหนกันแน่จึงจะเป็นทางที่ถูกต้องนำไปสู่พระนิพพานได้สมประสงค์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพิ่งเชื่อว่าตนได้เดินทางมาถูกต้องแล้วเมื่อปีพศ2528นี่เองก็เพราะด้วยพระธุดงค์เถื่อนรูปหนึ่งมาโปรดข้าพเจ้าดังข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟัง ดังนี้เมื่อต้นปี2528นั้นมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเดินทุดงมาอาศัยอยู่ที่ถ้ำขี้เหล็กไหลโดยพิทักษ์ป่าชแนนเพ็่รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวใกล้ๆ ก, ก, ก, กับหมู่บ้านชัยพลของเราแต่ไม่มีใครทราบว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนเพราะท่านไม่เคยบอกใครท่านเป็นพระทุดงที่ปฏิบัติเคร่งครัดมากห่มจีวรสีกรักชั้นอาหารมื้อเดียวและชั้นในบาท ออกบินธบัตเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดแม้ฝนจะตกแดดจะออกหรือจะไม่สบายก็ตามเพราะเหตุนี้การถือธุอดวงวัดจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างยิ่งทุกคนเรียกท่านว่าหลวงพ่ออย่างสนิทสนมนอกจากปฏิบัติเคร่งครัดแล้วหลวงพ่อของเราก็ยิงมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือพูดน้อยอาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครเคยได้ยินท่านพูดถึงสารประโยคในคราวเดียวกันเลยบางทีท่านก็นั่งนิ่ง อยู่ทั้งวันทั้งๆ ท, ท, ที่ญาติโยมนั่งอยู่เต็มข้างหน้าดังนั้นบรรดาญาติโยมที่ตั้งใจจะไปคุยกับหลวงพ่อจึงต้องลงเอยด้วยการคุยกันเองแต่หลวงพ่อของเราก็ไม่ใช่พระใบ้สักทีเดียวนานๆท่านจะพูดออกมาสักประโยคหนึ่งหรือแมก้กระสประโยคและทุกๆประโยคที่หลุดออกจากปากท่านมักจะเป็นปริศนาธรรมอันลึกซึง้งหรือเป็นสุภาษิตมีกติน่าจับใจเสมอด้วยเหตุนี้คำพูดทุกคำของท่านจึงมีค่ายอย่างยิ่ง ญาติโยมบางคนอุตส่าห์ไปนั่งเฝ้าท่านอยู่ทั้งวันก็เพื่อจะฟังคําพูดของท่านแม้เพียงประโยคเดียวเมื่อได้ฟังแล้วก็นําไปคบคิดเองบ้างถกเถียงวิจารณ์กันบ้างจนเกิดความรู้แตกฉานในพุทธธรรมได้ดีกว่าฟังเทศฟังกันยาวๆซะอีกกิตติศัพท์ของหลวงพ่อ น, นั้นทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีในณเวลานั้นวันหนึ่งเมื่อมีเวลาว่างจึงได้ไปกราบนมัสการและพบท่านนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ชะ ง, งอนหินตรงปากถ้าหลวงพ่อครับ ข้าพเจ้าเ อ, อ่ยขึ้นหลังจากที่กราบท่านแล้วตัวผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ก็ยังมีความสงสัยลังเลอยู่มากไม่ทราบว่าจะยึดอะไรเป็นหลักปฏิบัติดีครับผมเคยไปถามพระหลายๆองค์หลายๆวัดบางองค์สอนให้ทำบุญทำทานบางองค์สอนให้รักษาศีลบางองค์ก็สอนให้เจริญภาวนามีทั้งยุบหนอ่อพองหนอ่อสัมมาอรหังพุทโธและโบกไม้โบกมือบ้างก็ให้วิปัสสนาพิจารณากันเลย บางองค์ก็ชวนให้ออกบวชบางองค์ก็แนะนําให้ทําจิตให้ว่างผมเล่งงงไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะยึดอะไรเป็นหลักแน่หลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยว่าจะทําอย่างไรดีถึงจะเดินถูกทางจะได้เข้าถึงแก่นพระศาสนาได้รู้หลวงพ่อตอบมาสั้นๆตามแบบฉบับของท่านแล้วหลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรอีกข้าพเจ้างงเหมือนไก่ตาแตกเลยตอนนั้นเพราะไม่เข้าใจความหมายของท่านไม่ทราบว่า ท่านรู้เรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าถวายหรือแนะนําให้ข้าพเจ้ารู้และเมื่อท่านไม่มีคํำอธิบายเพิ่มเติมข้าพเจ้าจึงถามว่ารู้อะไรครับรู้ตัวหลวงพ่อตอบแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในถ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมขณะที่เดินทางกลับบ้านนั้นข้าพเจ้าก็พยายามคิดตีความหมายของคําว่ารู้ตัวคิดไปตลอดทางเลยในใจก็นึกเถียงหลวงพ่ออยู่ในใจว่า ข้าพเจ้ารู้ตัวเองดีอยู่แล้วชื่อนั้นนามสกุลนั้นอายุเท่านั้นเรียนจบชั้นนั้นประกอบอาชีพชนิดนั้นมีนิสัยชอบศึกษาหาความรู้แปลกๆใหม่ๆมีโรคปวดท้องเป็นโรคประจําตัวข้าพเจ้าสามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับตัวเองได้ทุกปัญหาข้าพเจ้าไม่เคยไปให้หมอดูดูดวงเพราะไปเชื่อว่าหมอดูจะรู้จักข้าพเจ้าดีไปกว่าตัวของข้าพเจ้าเองหลวงพ่อจะให้รู้ตัวอะไรอีกไะข้าพเจ้านอนคิดถึงปัญหานี้อยู่หลายวันแต่คิดไม่ออก วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสจึงเดินเข้าไปตลาดเมืองหนองคายจุดประสงค์เพื่อจะไปเยี่ยมชมร้านขายหนังสือด้วยเชื่อว่าบางทีหนังสืออาจจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างข้าพเจ้าได้เข้าไปในร้านจําหน่ายหนังสือร้านใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆได้พบหนังสือทุกประเภททั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหนังสือประเภทนวนิยายสารคดีนิทานตํำรับตําราและรูปภาพต่างๆข้าพเจ้าใช้เวลาอยู่ในร้านนั้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมง เดินดูจนทั่วก็ไปพบหนังสือที่ต้องการและในขณะที่กำลังจะเดินออกจากร้านน่ะตาก็เหลือบไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางโชว์อยู่ในตู้สิ่งที่สะดุดตาที่สุดบนหนังสือเล่มนั้นก็คือภาพร่างมนุษย์ผ่าซี่ระบายสีเพื่อให้เห็นอวัยวะภายในต่างๆ่าอย่างชัดเจนข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้ๆและได้พบชื่อหนังสือนั้นว่ากลไกลของร่างกายมนุษย์เขียนโดยนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึง่งข้าพเจ้าจึงจ่ายเงิน150บบาทและนำหนังสือนั้นกลับบ้าน พอถึงบ้านก็ลงมือเปิดอ่านทันทีเนื่องจากผู้เขียนใช้ภาษาง่ายๆและมีภาพประกอบแพร่ๆจึงทำให้เข้าใจได้ไม่ยากมากภายในสวันข้าพเจ้าก็อ่านหนังสือเล่มนั้นจบและจำสาระสำคัญสำคัญได้หมดบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกระดูกกี่ชิ้นกล้ามเนื้อกี่มัดเส้นเอ็นกี่เส้นอยู่ตรงไหนบ้างอาวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดไตกระเพาะ ลำไส้และต่อม ต, ต่างๆทำหน้าที่ยังไงข้าพเจ้ารู้ละเอียดลงไปถึงเรื่องโครงสร้างส่วนประกอบการเติบโตและการขยายพันธุ์ของเซลล์หนังสือนี้ทําให้ข้าพเจ้าเห็นร่างกายเป็นโรงงานมหึมาประกอบด้วยเครื่องจักรเป็นจํานวนหมืน่นจํานวนแสนทํางานเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเชื่อว่าตนรู้ตัวดีแล้วข้าพเจ้าก็ไปพบหลวงพ่อดีธรรมและก็ได้บรรยายกลไกลแห่งร่างกายมนุษย์ให้หลวงพ่อฟังอย่างละเอียด ตามที่จําได้จากในหนังสือและเมื่อเล่าให้หลวงพ่อฟังจนจบก็นั่งตั้งใจคอยฟังคําตอบของหลวงพ่อว่ามีความคิดเห็นยังไงเจ้ายัางไม่รู้ตัวหลวงพ่อตอบขึ้นมาแล้วก็ยิ้มนี่คือเสียงของหลวงพ่อที่ตอบข้าพเจ้ามาหลังจากนั่งเงียบตลอดเวลาสิ่งที่เจ้ารู้เป็นเพียงสมมุติสัจจะก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันได้โต้ตอบท่านก็ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในถ้ำแล้วปล่อยให้ข้าพเจ้านั่งทอดถอนใจด้วยความผิดหวังอยู่คนเดียว ข้าพเจ้าเดินคอตกกลับบ้านและก็เริ่มคิดหาความหมายของคําว่ารู้ตัวในแนวอื่นบ้างแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งมืดแปดด้านเช้าวันอาทิตย์วันหนึง่งข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเข้าไปในตัวจังหวัดอีกครั้งหนึง่งจุดประสงค์ก็เพื่อไปพบและขอคําปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเคยสอนข้าพเจ้ามาอาจารย์ครับข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นหลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมที่บ้านผมมีพระธุดง์รูปหนึ่งท่านสอนว่า ถ้าต้องการเดินให้ถูกทางเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาต้องรู้ตัวผมได้อธิบายตัวตนของเราตามหลักสรีระวิทยาให้ท่านฟังแล้วท่านบอกว่าสิ่งที่ผมรู้เป็นเพียงสมมุติสั จ, จผมยังไม่รู้ตัวอาจารย์ช่วยแนะนำผมได้ว่าจะให้ผมรู้ตัวในแง่ไหนอีกอาจารย์ผู้ได้ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดขึ้นว่าสรีระวิทยาหรือกายวิภาควิทยา ยังไม่ใช่ความรู้สุดท้ายเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ถ้าจะให้ถึงที่สุดก็ต้องศึกษาในแง่เคมีว่าแล้วอาจารย์ก็เริ่มอธิบายร่างกายมนุษย์ในแง่เคมีให้ข้าพเจ้าฟังเริ่มต้นโดยการจำแนกสารประกอบทางเคมีของร่างกายออกมาเป็นอย่างๆแล้วก็แยกสารประกอบแต่ละอย่างออกมาเป็นธาตุก็คือปรามาณูอธิบายโครงสร้างปรามาณูของธาตุต่างๆอย่างละเอียดตลอดถึงไอโซโทปต่างๆของชนิดธาตุเดียวกัน ปรมาณูนี่แหละคือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของร่างกายอาจารย์กล่าวสรุปจะเปรียบได้ว่าปรมาณูแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายสุริยะจั ก, กรวาลโดยมีนิวเคลียสเป็นดวงอาทิตย์มีเอิเล็กตรอนเป็นดวงดาวนพเคราะห์โคจร อ, อยู่โดยรอบฉะนั้นร่างกายของเราจึงไม่ใช่อะไรนอกจากกลุ่มปรมาณูจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับกาแล็กซี่ที่เป็นกลุ่มของสุริยะจั ก, กรวาลข้าพเจ้ากลับไปพบกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งและได้อธิบายคําว่าตัว ในแง่วิชาเคมีให้หลวงพ่อท่านฟังอย่างละเอียดเป็นเวลากว่า30นาทีหลวงพ่อท่านก็ดูท่าทางตั้งใจฟังด้วยความสนใจทําให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังขึ้นมารางว่าคราวเนี้ยหลวงพ่อคงยอมรับว่าข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วแน่ๆเมื่อข้าพเจ้าอธิบายจบหลวงพ่อก็ยังคงนั่งนิ่งคล้ายกับว่ากําลังพิจารณาทบทวนเรื่องที่ข้าพเจ้าเพิ่งจะเล่าจบครู่ใหญ่ผ่านไปหลวงพ่อท่านจึงพูดขึ้นว่าเจ้ายังไม่รู้ตัว สิ่งที่เจ้ารู้เป็นเพียงสภาวะสัจจะว่าแล้วก็ลุกขึ้นเขาทำตามเคยข้าพเจ้าต้องแบกความผิดหวังกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งแต่ความล้มเหลวสองคราวที่ผ่านมามันไม่ทําให้ข้าพเจ้าหมดความมานะความพยายามที่จะค้นหาความจริงต่อไปข้าพเจ้ายังพยายามขบคิดถึงความหมายของคําว่ารู้ตัวต่อไปแต่ก็ไม่ได้รับความกระจากแจ้งใดๆพยายามไต่ถามใครต่อใครก็แล้วจนกระทั่งเย็นวันหนึง่งขณะที่รับประทานอาหารขํา วิทยุท้องถิ่นประกาศข่าวว่าจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางพระอภิธรรมคนหนึ่งมาแสดงปาตกรถาพิเศษเรื่องความลับของชีวิตที่หอประชุมกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติในเมืองในสองวันข้างหน้านี้พอได้ยินประกาศนั้นข้าพเจ้าก็เกิดความหวังขึ้นมาทันทีว่าคราวเนี้คงรู้ตัวแน่ๆเพราะสองครั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ศึกษาตัวในด้านของวัตถุด้านเดียวลืมด้านจิตใจไปเสียสนิทเลยคราวนี้ ข้าพเจ้าจะมีโอกาสรู้จักตนเองในด้านของจิตใจซึ่งทางพุทธศาสนาถือเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วข้าพเจ้าจดวันเวลาปตาตกรถาลงในสมุดพกแล้วตั้งตาคอยด้วยความกระวนกระวายใจในที่สุดวันที่ตั้งตาคอยก็มาถึงข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองตั้งแต่เช้าและไปนั่งคอยอยู่ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนเวลาประมาณเกือบชั่วโมงในวันนั้นปรากฏว่ามีคนมานั่งฟังมากเป็นพิเศษ แม้ว่าหอดประชุมจะกว้างใหญ่แต่ก็เต็มแน่นไปด้วยประชาชนผู้สนใจเมื่อได้เวลาองค์ปาถกก็ก้าวขึ้นสู่เวทีท่านกล่าวว่าคนสมัยนี้มีความรู้มากมีความรู้กว้างไกลไกลจากตัวเองสู่โลกจากโลกสู่ท้องฟ้าอว ก, กาศคนสามารถรู้ว่าดวงดาวเล็กๆที่ส่องแสงริบรีอยู่ในห้วงอว ก, กาศอันแสนไกลนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าไรมีเส้นรอบวงยาวเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไร ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างห่างจากโลกกี่ปีแสงแต่ในเวลาเดียวกันก็ลืมตัวเองอย่างสนิทไม่คิดศึกษาตนเองจึงมีความรู้เกี่ยวกับตนเองน้อยมากมนุษย์ไม่รู้ตนคืออะไรประกอบด้วยอะไรเกิดมาได้อย่างไรตายแล้วจะไปไหนต่อจากนั้นองค์ปาถกทก็เข้าประเด็นสำคัญของปตัตกะถาท่านได้อธิบายธรรมชาติของดวงจิตต่างๆของจิตจานวนร้อยการทางานของจิตอารมณ์ของจิต เจตสิกธรรมต่างๆที่แทรกอยู่ในจิตการกระทำกรรมอำนาจของกรรมการเกิดใหม่นอกจากนี้ท่านยังได้อธิบายเรื่องผีเทวดาเปรตตลอดจนถึงอำนาจลึกลับต่างๆในทางไสยศาสตร์ด้วยหลังปาถุกจบองค์ปาถุกได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหาไขข้อข้องใจต่างๆข้าพเจ้าก็ได้ถามถึงสองสข้อและได้ฟังการตอบจากองค์ปาถกูกจึงจาแจ้งเป็นที่พอใจ ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านด้วยความมั่นใจยิ่งกว่าคราวใดๆการฟังปลาตะกถาครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้ารู้ตัวในด้านจิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหลวงพ่อจะต้องยอมจำนนในคราวนี้แน่ข้าพเจ้าพูดกับตัวเองด้วยความกระหยิ่มใจเมื่อสองครั้งที่แล้วเราไปแสดงตัวในฐานะด้านวัตถุให้ท่านฟังตามทัศนะทางวิทยาศาสตร์ท่านก็ปฏิเสธไปก็ชอบแล้วถูกของท่านแล้วแต่คราวนี้เป็นเรื่องของจิตใจอันลึกซึ้งในพระอภิธรรมบิดก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองถ้าหลวงพ่อปฏิเสธอีกก็ให้มันรู้ไปเย็นวันเดียวกันนั้นอาบน้ํารับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็รีไปพบหลวงพ่อที่ธรําเมื่อนั่งกราบท่านเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสาธยายเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานตามหลักพระอภิธรรมให้ท่านหลวงพ่อฟังด้วยความมั่นอกมั่นใจเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเมื่อเล่าจบข้าพเจ้าก็ต้องคอยฟังคําตอบจากหลวงพ่อ เจ้ายัางไม่รู้ตัวหลวงพ่อพูดขึ้นมาหน้าตาเฉยสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้เป็นเพียงปรมัาถสั จ, จว่าแล้วก็ลุกเดินเขาทำไปข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังดุดเดียวกับคนที่สร้างบ้านจนจะเสร็จแล้วแต่ถูกพายุพัดพังทลายลงต่อหน้าต่อตาการประสบความผิดหวังถึง3ามครั้งสามคราวนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความท้อแท้ใจเพราะเชื่อมั่นว่าต น, นรู้ตัวแล้วเจนจบแล้วทั้งในแง่ของวัตถุและจิตใจ ทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และแง่ของพุทธศาสนานอกเหนือไปจากนี้ไม่มีอะไรให้เหลือให้รู้อีกแล้วเมื่อคิดดังนั้นได้แล้วข้าพเจ้าก็เลิกล้มความคิดที่จะค้นหาความจริงของคําว่ารู้ตัวต่อเพราะในตัวคนเราไม่มีอะไรจะให้เรารู้อีกต่อไปแล้วพอกันทีข้าพเจ้าพูดกับตัวเองสําหรับคำว่ารู้ตัวอันยุ่งยากของหลวงพ่อมันรู้ยากนักก็ไม่ต้องไปรู้มาละทําบุญรักษาศีลไปตามเดิมดีกว่าหลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็ดำเนินชีวิตคารวะาไปอย่างปกติธรรมดาไม่ได้คิดหาความหมายของคำ่ารู้ตัวและไม่ได้พบหลวงพ่ออีกเลยประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นข้าพเจ้ามีธุระจะต้องเดินทางไปในำอำเภอจึงไปขึ้นรถโดยสารที่สถานีจอดรถวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวผู้โดยสารก็ค่อนข้างแน่นชวนให้ง่วงนอนในขณะที่รถโดยสารวิ่งไปตามถนนอันราบเรียบข้าพเจ้าจึงได้เผลอนั่งหลับไปในรถตลอดเวลาเมื่อรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ข้าพเจ้าก็เกิดความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเพราะแทนที่จะพบตัวเองอยู่ในรถโดยสารกลับพบตัวเองนอนอยู่ในห้องอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งเสียงที่ได้ยินแทนที่จะเป็นเสียงคลางกระหึ่มของเครื่องยนต์กลับเป็นเสียงครุ่ครางด้วยความเจ็บปวดของมนุษย์ข้าพเจ้าลองหันไปมองทางด้านซ้ายมือขวามือก็ได้พบชายคนหนึง่งกำลังนอนอยู่บนเตียงหน้าตาแขนขาของเขาถูกพันด้วยผ้าปัสเตอร์สีขาวจนดูคล้ายศพที่เขาตาสังไว้แล้ว ถัดจากนั้นไปมองเห็นวัวเข่าอันผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาข้าพเจ้าลองหันไปดูรอบๆ อ, อีกก็พบชายคนหนึ่งรูปร่างผอมเหลืองดุดซากศพกำลังนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงอย่างเป็นทุกข์ถัดไปก็เป็นชายอีกคนหนึ่งนอนอควนคลางอยู่ด้วยความเจ็บปวดขาข้างหนึ่งของเขาถูกผูกโยงไว้กับราวข้างบนข้าพเจ้าจึงหันหน้ากลับมาหลับตาคิดทบทวนถึงความจำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองไม่ได้ฝันไป แต่พอลืมตาขึ้นมาก็ได้พบกับสภาพเดิมอีกแสดงว่าไม่ได้ฝันไปแน่ๆโรงพยาบาลข้าพเจ้าอู่ทานกับตัวเองเบาๆโรงพยาบาลเมื่อคิดได้ดังนั้นข้าพเจ้าก็พยายามคู้แขนเตรียมจะยันลุกขึ้นนั่งแต่แล้วก็ต้องเลิกล้มความพยายามเพราะรู้สึกเจ็บปวดด้วยร้าบไปทั่วร่างกายพยายามคู้ขาเพื่อจะยันเข่าขึ้นแต่ก็ไม่สําเร็จอีกข้าพเจ้าจึงนอนอยู่นิ่งๆและยิ้มนิดๆเพราะรู้สึกขบขันต่อความไม่แน่นอนของชะตามนุษย์ ต่อมาภายหลังเมื่อนางพยาบาล น, นำยามาให้ข้าพเจ้ารับประทานจึงได้ทราบจากเธอว่ารถยนต์ที่ข้าพเจ้าโดยสารไปนะ่ะเกิดคันเร่งหลุดเสียหลักพุ่งลงข้างทางทําให้พลิกคว่ทำทําให้ผู้โดยสารตายทันทีเจศพนอกนั้นบาดแผลสาหาัสและไม่สาหัสกันทุกคนสําหรับข้าพเจ้าขาขวาหักต้องเข้าเฝือกและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อยสองสัปดาห์ที่โรงพยาบาล น, นี้เอง ข้าพเจ้าได้รู้จักความจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิตความเจ็บปวดแสนสาหัสและความไม่สะดวกสบายต่างๆอันเกิดจากความเจ็บปวดภาพของเพื่อนมนุษย์ผู้ผอมโซเพราะโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดเห็นอยู่ตําตาทุกวันเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดเสียงอาเจียนโอ้กอัเสียงพั่มเพ้อและเมือควนครางด้วยทุกขเวทนาที่ดังก้องอยู่ตลอดคืนภาพคนเจ็บที่ตายลงต่อหน้าต่อตาและถูกนําใส่รถเข็นออกไปท่ามกลางเสียงร้องไห้ครวญครางของคนรัก ภาพเหล่านี้ทําให้ข้าพเจ้ามองชีวิตในแนวใหม่ข้าพเจ้าเริ่มเห็นว่าชีวิตคือทุกข์และแต่ละคนก็คือก้อนแห่งความทุกข์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนป่วยด้วยโรคหิวโรคกระหายโรคง่วงโรคเหนื่อยโรครักโรคชังโรคอยากโรคกลัวโรคโง่โรคเหงาโรคเศร้าโรคทุกข์ข้าพเจ้าเห็นต่อไปอีกว่าโลกทั้งโลกคือโรงพยาบาลอันมักหิมาสมบัติทุกชิ้นที่มนุษย์มีอยู่ และแสแบงอยู่หาก็คือยาแก้โรคอาหารแก้โรคหิวน้ําแก้โรคกระหายที่พักอาศัยแก้โรคหนาวร้อนเสื้อผ้าแก้โรคหนาวร้อนเย็นและโรคอายเพื่อนฝูงลูกเมียแก้โรคเหงานอนแก้โรคง่วงเรียนแก้โรคโง่แต่ถึงแม้จะมียาเท่าไรมากเท่าไหร่ในที่สุดก็ไม่ผลโรคแก่โรคเจ็บโรคตายซึ่งไม่มียาใดๆจะรักษาได้ความจริงของชีวิตที่ข้าพเจ้าได้พบ ทำให้เกิดความสังเวชสลดใจอย่างลึกซึ้งขึ้นและความสังเวชนี้ได้เกิดขึ้นถึงขีดสุดในเช้าวันหนึ่งคือที่ข้างๆเตียงของข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมทุกคนหนึ่งนอนเจ็บอยู่เขาเป็นชายหนุ่มอายุราวๆยีป่ปีเป็นคนช่างพูดฉะนั้นจึงเป็นที่รู้จักสนิทสนมกับคนป่วยบนเตียงข้างๆกันทุกคนยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งกับข้าพเจ้าเราได้กลายเป็นเพื่อนคุยที่ถูกค อ, อกันมากที่สุดเขาเล่าว่าเขามีร้านขายของเล็กๆ อยู่ทางบ้านกิจการของเขากําลังก้าวหน้าเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงแผนการต่างๆที่จะกลับไปทําเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วภรรยาและลูกน้อยประมาณสามขวบครึ่งของเขาได้มานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยโดยผูกมุ้งเข้ากับขาเตียงนอนอยู่ระหว่างเตียงของสามีกับเตียงของข้าพเจ้านั่นเองในตอนเช้าตรู่วันต่อมาข้าพเจ้าต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องขคขำขวัญดังมาจากเตียงข้างๆเมื่อลุกขึ้นนั่งก็ได้พบภรรยาของชายคนนั้น กำลังร้องไห้ฟูมฝ่ายฝ่ายลูกน้อยก็กอดคอแม่ร้องไห้ไปด้วยดูเป็นที่น่าสงสารจับใจมากข้าพเจ้าได้ถามว่าร้องไห้เพราะเหตุใดภรรยาเขาไม่ตอบเพียงแต่ชี้ไปทางสามีซึ่งกําลังนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงข้าพเจ้าลงจากเตียงเดินกระยองกระแย่งไปจับดูเท้าของเขาข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งและชักมือกลับด้วยความตกใจเพราะปรากฏว่าเท้าของเขาเย็นเฉียบและมือของเขาแข็งทื่อ เมื่อคลำดูชีพประจที่ข้อท้าอีกครั้งก็พบว่าเขาได้สิ้นใจตายซะแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอเพื่อนรักข้าพเจ้าพูดออกมาคล้ายกับคนละเมอแล้วก็ยื่นมือไปปิดเปลือกตาของเขาซึ่งยังเปิดอยู่นิดๆแววเสียงในจิตใจก้องออกมาว่าโลกมนุษย์เราเกิดแล้วตายแน่บ้างยังไม่ถึงแก่ก็ดับแล้วบางคนเจ็บจนแย่ตายยากอ่อนแก่ก็ไม่คล้วแน่แท้คือตายในไม่ช้า เจ้าหน้ที่โรงพยาบาลก็นํารถเข้ามาเทียบยกร่างอันปราศจากวิญญาณของเขาขึ้นแล้วก็เข็นออกไปพร้อมด้วยภรรยาของเขาซึ่งอุ้มลูกหอบผ้าร้องไห้เดินตามไปอย่างะระท้วระทวยคนป่วยอื่นๆต่างมองหน้ากันทำตาปิบปิบเขาไปเสแล้วคนป่วยชรา บ, บนเตียงข้างหน้าข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแต่ไม่ช้าหรอกพวกเราทุกคนก็ต้องตามเข้าไปว่าแล้วก็ล้มตัวลงนอนเอามือไก่น้าผากมองเพดาน ข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนบ้างแต่แล้วก็ผุดลุกขึ้นมานั่งทันทีเพราะเกิดความคิดทิ้งไปอย่างฉับพลันคล้ายมีแสงสว่างขึ้นอยู่ในดวงใจว่ารู้ตัวก็คือรู้ทุกรู้ทุกก็เท่ากับรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้ทุก์รู้ทุกเท่ากับรู้ตัวพร้อมกับความคิดนี้ที่วนเวียนไปมาข้าพเจ้าก็เกิดความเบื่อหน่ายแถมสังเวชสลดใจต่อการเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะข้าพเจ้าได้ตั้งไปนิทานลงไปว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าจะทำความดีใดๆก็จะไม่ทำเพื่อให้ตนได้ไปเกิดในสวรรค์อันจะเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอีกแต่จะทำเพื่อขัดเกลาสันดานให้มันบริสุทธิ์สะอาดเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าจะเว้นการทำชั่วก็จะไม่เว้นเพราะความกลัวตกนรกแต่เว้นเพราะกลัวการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะขณะที่กำลงังนั่งนึกตึกตรองอยู่นั้นเองจิตใจก็หวนนึกถึงหลวงพ่อที่ทำขึ้นมาข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจอย่างประหลาดว่า บัตรนี้ได้รู้ตัวแล้วความมั่นใจทําให้อยากหายไวๆเร็วๆจะได้รีบกลับไปรายงานผลให้หลวงพ่อทราบขพเจ้าล้มตัวลงนอนด้วยจิตใจอันอิ่มเอิบและด้วยใบหน้าที่ยิ้มกลิ่มผิดจากวันก่อนๆความปิติอันเกิดจากความรู้ใหม่ทําให้ขพเจ้าลืมความเจ็บป่วยเกือบสิ้นเชิงขณะที่ขพเจ้ากําลังนอนคิดอยู่นั่นเองเหตุการณ์ที่ขพเจ้าไม่นึกไปฝันก็ได้เกิดขึ้นหลวงพ่อที่กําลังละระลึกถึงอยู่นั้น ได้เดินผ่านทะลุ ป, ประตูเข้ามาในห้องจริงๆหลวงพ่อท่านไปหยุดยืนอยู่ข้างๆเตียงของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นนั่งยกมือไหว้แต่ก็พูดอะไรไม่ออกตอนนั้นเพราะความตะลึงต่อเหตุการณ์ที่ไม่นึกไปฝันมาก่อนและเมื่อได้สติสัมปัญ ญ, ญากลับคืนมาข้าพเจ้าก็เตรียมจะเอ่ยปากรายงานผลการรู้ตัวแก่ท่านแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันได้อ้าปากพูดหลวงพ่อท่านก็ยกมือขวาขึ้นเป็นเชิงห้าม แลหลวงพ่อท่านก็พูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคาว่าเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วผู้ใดรู้จักทุกข์ผู้นั้นรู้จักตัวผู้ใดเห็นตัวผู้นั้นเห็นทุกถ้าเจ้ารู้สมมุติสัจจะเจ้าจะเป็นเพียงแค่ฉลาดในคดีโลกถ้าเจ้ารู้สภาวะสัจจะเจ้าจะเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ถ้าเจ้ารู้ปรมัาถสัจจะเจ้าก็จะได้เป็นเพียงนักปรัชญาแต่ถ้าเจ้าเห็นทุก เจ้าก็เห็นอริยสัจจะและกำลังก้าวไปสู่ความเป็นอริยะบุคคลเจ้าเริ่มก้าวสู่ทางเดินอันถูกต้องแล้วและจะไม่มีวันถอยหลังกลับเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นทุกอันมาในรูปคนแก่คนเจ็บและคนตายทรงเบื่อหนายเสด็จออกบรรพชาและพระองค์ก็ไม่กลับคืนสู่โลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์อีกทันยศกุลบุตรตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นสภาพอันน่าสังเวชของหญิงบริวารที่กำลังหลับไหลอยู่ เป็นดุดสร้างศพในป่าช้าผีดิบจึงเดินบ่นออกจากบ้านตนเองไปพบกับพระพุทธองค์แล้วท่านก็ไม่หวนกลับมาอีกพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะเห็นทุกขณะดูมหัรศพ บ, บนยอดเขาเกิดความเบื่อหนายออกบรรพชาแล้วท่านก็ไม่หวนกลับมาอีกใครๆก็ตามถ้ายังไม่เห็นทุกแม้จะออกบรรพชาก็ยังต้องหวนกลับคืนบัดนี้เจ้ารู้ตัวแล้ว เป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจจงก้าวเดินต่อไปตามทางแห่งอริยมรรคเพื่อดับสมุทยัยและบรรลุถึงนิโรธในที่สุดเถิดพูดจบหลวงพ่อท่านก็เดินหันหลังกลับเดินทะลุ ป, ประตูออกไปทันทีก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้กล่าวตอบโต้ใดข้าพเจ้ายกมือไหว้ตามหลังท่านแล้วก็ก้มหน้าคิดทบทวนคําสอนของหลวงพ่อเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างยืดยาวเช่นนี้ ข้าพเจ้าปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกที่หลวงพ่ออุตสาหมาเยี่ยมและที่สําคัญที่สุดก็มารับรองความเห็นของข้าพเจ้าว่าถูกต้องแล้วพอหายเจ็บและได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านทันทีจุดประสงค์ก็เพื่อจะไปเยี่ยมเยิยนน้นมาสการหลวงพ่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พอไปถึงบ้านก็อาบน้ํารับประทานอาหารอย่างเร่งรีบแล้วก็ออกเดินทางมุ่งสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูัวไปที่ถา้าเมื่อถึงปากถา้า เมื่อถึงปากถ้ำข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบหลวงพ่อนั่งพักผ่อนอยู่ที่ปากถ้ำดังแต่ก่อนบรรยากาศทั่วไปดูเงียบเชียบวังเวงผิดปกติข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจอย่างมากแต่ก็ยังหวังอยู่ว่าหลวงพ่อคงจะพักผ่อนอยู่ภายในถ้ำข้าพเจ้าโผล่ศีรษะเข้าไปในถ้ำแล้วก็ส่งเสียงเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อแต่ก็ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงของข้าพเจ้าเองที่สะท้อนกลับมา ข้าพเจ้าสำรวจภายในถ้ำจนทั่วก็ไม่พบร่องรอยของหลวงพอ่อในที่สุดข้าพเจ้าก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางกลับชายแก่คนหนึ่งซึ่งเดินสวนทางมาก็บอกกับข้าพเจ้าว่าหลวงพ่อได้จากไปซะแล้วและไม่มีใครทราบว่าท่านไปไหนมีคนเห็นท่านสะพายบาตรแบกกรดเดินขึ้นเขาตั้งแต่เย็นวานนี้แม่หลวงพ่อได้จาริกธูดองจากไปแล้วแต่ข้าพเจ้านั้นรู้สึกคล้ายกับว่าหลวงพ่อท่านยังอยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลา หลวงพ่อทำงามพระธุดงเถื่อนที่คุณบูชาท่านอยู่นาที่ใดและนี่ก็คือเรื่องราวการบอกเล่าของคุณบัวเพชรประกายสิทธิ์หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าชแ น, นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอำเภอเมืองการจังหวัดหนองคายครับจากเรื่องที่คุณบัวเพชรประกายสิทธิ์ได้ถ่ายทอดให้ฟังนี้ผมรู้สึกดีกับเรื่องนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังมันรู้สึกอิ่มยังไงไม่รู้ครับระหว่างที่เล่าให้พวกท่านฟัง หวังว่าพวกท่านก็คงจะรู้สึกอิ่มเอิบเช่นเดียวกับที่ผมรู้สึกนะครับขอพระคุณที่รับฟังนะครับขอแก้ไขข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันอำเภอบึงการได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบึงการแล้วนะครับพบเป็นคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ